บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเศรษฐศาสตร์ е ิปต์เศรษฐศา о ตร์อิปต์เหตุผลบางประการเนิ่นที่อธ в а ายบรรยายหน е ่งเ ทำไมคุณไม่มาคะ з о ш т to ne о а a g т е a Zeus อากาศแย่มาก в р е м е t o е, е лошо Vremeto eloso ดิฉันไมมาเพราะอากาศแย่มาก Ne а o а м бидејќи в v r e е т t o лошо Не д о а a а м бидејќи в р е м е t o е л о, о ш o ทำไมเขาถึงไม่มาคะจูชเ่จู о โตตุยนิโดอาเยเขาไม่ได้รับเชิญตุเนโปกาเนตตุยเนโเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ той не д о а าเบิดีคิ не е поканет ด้วบิไนปูกนทำไมคุณไม่มาคะ zo š т o ti n e d o а e š zo ดิฉันไม่มีเวลาย e s nemam vreme y ดิฉันไมมาเพราะไม่มีเวลา ยังส์ไม่ได้ยังบิดเอยยส์ไยบรทำไมคุณไม่อยู่ต่อละคะต์เิฉันยังต้องทำงานค่ะมูรัมุตดาบอตรัมอุสต์เ ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Яс не останувам, б и д ดีกิ морам อุสเถดราบุตัมยัสเนอสตันุวัมบิดีกิมรูรามอุสเถ а ราบตุตทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะดิะจูสตัววิกิสิอดิดิฉันเหนื่อยค่ะ ยา่มอุ่ฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะสดำบีเดมอดุโทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะวะมดกแล้วค่ะ ดูทสนาเอเวเกดูทสนาเอเวเกดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะยัสซามินูวัมบิเดกิเอเวเกดูทสนายัสซามินูวัมบิเดกิเอเวเกดูทสนากรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e